จเจริญานท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28พุศจิกายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบำบัดหรือกำจัดความทุกข์ให้เบาบางลงไปและหมดไปให้มีแต่ความสุขอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่แท้จริงที่ตรงกับหลักความจริงคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกคานี้ไม่เป็นคําสอนที่หลอกลวงคือไม่มีไม่มีตามความเป็จริงเช่นสอนว่า พวกเราทุกคนนั้นสามารถมีความสุขภายในใจได้ด้วยการสร้างคุณธรรมความดีให้เกิดมีอยู่ภายในใจและสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายใน ใ, นใจได้คุณธรรมที่ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน มันเจริญอยู่อย่างสม่ำเสมอก็มีอยู่สประการด้วยกันคือหนึ่งเมตตา 2. กรุณาสมุดิตาสอุเบกขาคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้เป็นคุณธรรมที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายทำให้ใจ มีแต่ความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นคุณธรรมที่มีประโยชน์กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคลาวาสหรือนักบวชเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มคนสาว มีประโยชน์กับทุกคนเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้พุ่งไปที่ใจของคนไม่ได้อยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่เพศใจของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดมีความสุขและมีความทุกข์เหมือนกันมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมในใจของเราถ้ามีคุณธรรมความดีมาก ก็มีความสุขมากถ้ามีความดีมีคุณธรรมน้อยก็จะมีความสุขน้อยถ้ามีอธรรมคือกิดเลสตัณหาโมหะอวิชชาคือความโลภโมโทสังมากภายในใจ <S <S ก็จะมีความทุกข์มาก <S <S ดังนั้น <S <S พวกเราจึงควร ให้ความสนใจต่อการสร้างคุณธรรมที่ดีต่างๆภายในใจของเราและพยายามบำบัดกาจัดอธรรมทั้งหลายคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของเราให้ลบให้เบาบางลงไปเพราะนี่คือต้นเหตุของความสุขและความทุกข์ของพวกเรา ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยมากรวยน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีตำแหน่งสูงหรือต่าไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนชลเสริญนินทามากน้อยเพียงไรแต่อยู่คุณธรรมทั้งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเจริญกันคุณธรรมข้อแรกคือเมตตา แปลว่าความมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเดรัจฉานกด็ดีเราให้มีความเมตตาคือความปรารถนาดีไม่คิดร้ายต่อเขาถึงแม้เขาจะคิดร้ายกับเราทำร้ายเราหรือพูดร้ายกับเรา พ่องก็ส อ, งสอนให้เราให้อภัยคำว่าให้อภัยนี้ก็เป็นคุณสมบัติของความเมตตาของผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อผูอ้เพราะเวลาที่เราโรรกรธนึกเกลียดหรืออาคาตพยาบาทนี้มันไม่ได้เป็นคุณประโยชน์กับใจของเรามันเป็นเหมือน หอกหรือหนามที่ทิ้มแทงหัวใจของเราแต่การให้อภัยนี้จะทำให้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทนั้นสงบตัวหายไปได้ทำให้ใจของเราอยู่เป็นสุขเป็นปกติได้ดังนั้นเราต้องฝึกให้อภัยให้ได้อย่าไป ถือโทษโกรธเคืองกับการกระทําของผู้อื่นเขาให้เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับผู้อื่นให้พูดให้ทำหรือให้คิดดีกับเราได้เสมอไป mm. เขาก็เป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการได้ฝนจะตกเราก็ห้ามไม่ได้ฝนไม่ตกเราสั่งให้ตกก็ไม่ได้ฉันใดการกระทำของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเขาจะคิดดีพูดดีทำดีกับเราหรือไม่เราก็ไปสั่งเขาไม่ได้หรือไปปรารถนาประหยัดไม่ได้ สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจของเราสั่งใจของเราให้ยินดีรับกับการพูดการกระทำและความคิดของผู้อื่นไม่ว่าเขาจะคิดดีหรือคิดไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นเพียงผู้รับรู้รับฟังเท่านั้นเองเราก็รับรู้รับฟังไปหรือถ้าเป็นวาระของบา กรรมของเราก็ถือว่าเป็นผู้รับเคราะห์ไปก็แล้วกันเพราะว่าชีวิตของเรานี้เราเคยทำความดีและทำบาปมาอย่างโชคโชนและผลของความดีและผลของบาปที่เราทำนั้นยังไม่ได้แสดงผลทั้งหมดเวลาที่เราเจอกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ก็ขอให้คิดว่าเป็นผลของบาปที่เราได้ทำเอาไว้ก็แล้วกันแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถมาทิ่มแทงจิตใจของเราได้เลยข้อกรรมต่างๆนั้นจะทำได้ก็เพียงแต่ร่างกายของเราหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบริษัทบริวารของเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีคุณธรรม คือความเมตตาอยู่ภายในใจของเราเราจะไม่สะทกสะทานกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราและเราจะไม่ไปทําบาปทํากรรมเพื่อสร้างสิ่งเลวร้ายต่างๆให้เกิดขึ้นกับเราอีกแต่เรากลับจะแผ่เมตตาให้อภัย ไม่คิดจองเวรจองกรรมคิดเสียว่าเป็นการใช้นี่เก่าไปนี่คือการทำใจของเราให้มีความสุขท่ามการกับสภาพที่มีดีและไม่ดีที่มาสัมผัสกับใจของเราถ้าเราไม่มีคุณธรรมคือความเมตตาแล้ว ใจของเราจะต้องร้อนขึ้นมาทันทีเวลาที่เราสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแต่ถ้าเรามีคุณธรรมคือความเมตตาใจของเราก็จะเย็นใจของเราก็จะมีความสุข <c oughs> อา น, นิสงของความเมตตา <c oughs> พระเจ้าก็ทรงแสดงไว้หลายประการด้วยกัน <c oughs> เช่นจะอยู่อย่างเป็นสุข จะหลับหรือจะตื่นก็จะมีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายและจะไม่ตายจากการประทสลายของผู้อื่นเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความโกรธความเลียดความแค้นให้แก่ผู้อื่นนั่นเองแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เราจองเวงจองกรรม แล้วเราไปทำร้ายผู้อื่นก็จะทำให้ผู้อื่นนั้นเขาโกรธเขาเกลียดเราและจองเวรจองกรรมเราเราก็อาจจะถูกเขาประทุษร้ายทำร้ายทำลายชีวิตของเราได้นี่คืออนิสง์หรือประโยชน์ของการมีความเมตตาเวลามีเมตตาแล้วเราจะเป็นที่รักของ ของคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตานี้จะไม่มีใครเกรดไม่มีใครเกลียดไม่มีใครรังเกียจจะมีแต่คนรักคนชอบจึงขอให้เราพยายามเจริญความเมตตาไว้ซึ่งประการหนึ่งก็คือการให้อภัยเช่ว่าสัพเพสัตตาอเวราหุนตุ อเวราก็คือการไม่จองเวรสบเบสตาอับยาปชาหงตุอปชาหงตุก็หมายความว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดไม่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปประพฤติผิดประเวณียุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นโดยไม่ได้ทําให้ถูกต้อง ตามประเพณีก่อนไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่มีความเมตตาและก็ให้มีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างในตอนช่วงปลายปีพวกเราก็ส่งสคศกันสคส น, นี่ก็แปลว่าส่งความสุข แต่ความจริงเราไม่ควรที่จะรอถึงวันสิ้นปีแล้วค่อยมาสงความสุขกันเพราะมันน้อยมากปีหนึ่งส่งครั้งเดียวอีก3ปีอีกสามกว่าวันก็ส่งส่งสคทกันคือสงความทุกข์ให้แก่กันสงความทุกข์ด้วยกันความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเราควรที่จะเจริญแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราแผ่เมตตานั้นยังไม่ใช่เป็นเวลาที่แผ่จริงๆตอนนั้นถือว่าเป็นการทำการบ้านเป็นการซ้อมไปก่อนเช่นเวลาก่อนนอนหรืหลังจากที่เราเตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราไหว้พระสวดนมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตา สับพสัตตานี่ไม่ได้เป็นการแผ่ที่แท้จริงเพราะว่ายัางไม่มีผู้รอรับเราอยู่ต้องรอให้เวลาที่เราเจอคนแล้วค่อยแผ่เช่นพอออกมาข้างนอกห้องเจอคนนั้นคนนี้ก็แผโด้วยการยิ้มแย้มแมจ่มใสทักทาย อ, อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตาไม่ใช่แผ่แต่เฉพาะเวลา ที่เราไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นเราต้องแผ่อยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจาวันของเราแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขสังเกตดูเวลาคนที่มีความเมตตาเช่นเราเวลาเราส่งสอรกสอรสให้ผู้อื่นเราจะมีความรู้สึกมีความสุขทาไมเราไม่สูงทุกวันทาไมต้องมารอส่งแต่เฉพาะ วันสิ้นปีเท่านั้นจึงขอให้เราพยายามเจริญเมตตาให้มากเจริญให้อย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะมีควา ม, ม, วามสุขเราจะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาท ค, คุณธรรมข้อที่สองที่ทรงให้สอนให้เรามีเจริญกันก็คือการุณา การุณาก็คือความสงสารเวลาที่เห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเขาเดือดร้อนเรามีความสามารถที่จะพอช่วยเหลือเขาได้ก็ขอให้เราช่วยเหลือเขาไปจะทำให้เรามีความสุขอย่างวันนี้ญาติโยมก็มีความการุณามาคิวัดพาอ สงสารพระภิกษุสามเณรที่จะต้องรออาหารข้าวหวานจากญากโยมถ้าไม่มีญาบโยมใส่บาตไม่มีญาบโยมนำอาหารขาวหวานมาถวายที่วัดพระเนรก็จะอยู่ได้อย่างยากลาบากและอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะต้องสิกขาลาเพศไปเพื่อไป ทำมาหากินเพื่อมาดูแลรักษาชีวิตของตนถ้าขาดความกรุณาของญาติโยมแล้วพระพุทธศาสนานี้ก็จะไม่สามารถมีอยู่ต่อไปได้พุทธศาสนานี้ที่อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะความกรุณาของสัตของศรัทธาญาติโยมเป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่ง ก็อยู่ที่ความประพฤติ ด, ดีของพระภิกษุสามนเณรผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายที่มีบุญบารมีที่สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ศรัทธายาโงทั้งหลายได้นั่นเอง ถ้าขาดทั้งสองส่วนนี้แล้วพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถมีอยู่ต่อไปได้ถ้าพระพุทธศาสนาขาดพระสุปฏิปันโนคือพระปฏิปติปฏิบัติชอบก็จะไม่มีศรัทธาญาติโยมที่จะมีความศรัทธาเลื่อมใสที่จะทำบุญตักบาตที่จะสนับสนุนพระภิกษุให้ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติธรรมได้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศทศาสนาก็จะต้องสูญหมดไปในที่สุดเพราะเมื่อไม่มีญาติโยตักบาก็จะไม่มีพระภิกษุสัมมเนติบวชเป็นพระบวชอยู่ได้ก็จะต้องศึกขาลาเพศไปเมื่อไม่มีพระภิกษุมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรม พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีการสืบทอดต่อไปเช่นยกตัวอย่างในสมัยพุทธการมีภิกษุมีคนมีผู้หญิงบวชเป็นพระได้แต่หลังจากพระพุทธเจ้าได้จากโลกไปแล้วศรัท ธ, ธาก็ค่อยๆเสื่อมลงไปเทียเล็กเทียน้อยจนในที่สุดก็ไม่มีผู้หญิงบวช นี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมทุกวันนี้ผู้หญิงจึงไม่มีบวชกันก็เพราะว่าขาดการบวชกันมาอย่างต่อนเนื่องนั่นเองเพระพุทธเจ้าทรงบำเพจทรงบัญญัติว่าการจะบวชนี้จะต้องมีภิกษุณีเป็นผู้บวชให้และต้องมีภิกษุด้วยถึงจะบวชภิกษุณีได้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ มีแต่เพียงภิกษุอย่างเดียวผู้หญิงที่อยากจะบวชเป็นภิกษุณีจึงไม่ส า, สามารถบวชได้เพราะขาดการปฏิบัติขาดการบวชมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองพอหมดภิกษุณีสงฆ์ไปแล้วก็ไม่สามารถทำการอุปสมบทให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้ต่อไป ผู้หญิงก็จะต้องบวชเป็นชีถือศีลถือศีลแปบ้างถือศีลสิบบ้างหรือจะถือศีลของภิกษุณีก็ได้ไม่มีใครห้ามแต่อย่างใดเพราะการปฏิบัตินั้นก็อยู่ที่กายวาจาใจของแต่ละบุคคลนั่นเองจะบวชหรือไม่บวชจะห่มผ้าสีเหลืองหรือไม่ก็ตาม ถ้ายังอยากจะเป็นภิกษุณีก็ยังสามารถปฏิบัติเป็นภิกษุณีได้แต่เราไม่ต้องไปประกาศให้คนอื่นเขารับรู้เท่านั้นเองเพราะการปฏิบัตินี้ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่ให้คนอื่นเขารู้ว่าเราปฏิบัติมากหรือน้อยอย่างไรแต่การปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะทำให้ ใจของเรานั้นสะอาดบริสุขธหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่างหาดังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีภิกษุณีแต่ถ้าญาติโยมที่เป็นผู้หญิงยังอยากจะเป็นภิกษุณีก็สามารถปฏิบัติแบบภิกษุณีได้ไปเปิดหนังสือดูว่าภาพภิกษุณีนี้ มีสิลกี่ข้อเท่าที่จำได้มีอยู่300กว่าข้อด้วยกันมีมากกว่าพระภิกษุซึ่มีเพียง227้อข้อนะก็รักษาสินของภิกษุณีไปแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วก็เจริญปัญญาไปก็จะสามารถบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้เช่นเดียวกับพระที่นุ่งเหลือมกศรศีศับหรือ เป็นแม่ชีที่ถือศีลแปดศีลสิตก็มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยกันทุกคนไม่ได้อยู่ที่รูแปแบบว่าเราโกนสีสะหรือไม่เรานุ่งเหลืองหรือนุ่มขาวเลือกหรือไม่อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญา ศีนสมาธิปัญญานี้เป็นบันไดที่จะพาให้เราไปถึงพระนิพพานได้ไปเป็นพระอาหารหันต์ได้อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศีนสมาธิปัญญานี้เท่านั้นดังนั้นเรื่องของเพศของวัยจึงไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดจะเป็นพระหรือเป็นคารวาาจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อการบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือความเกียจคร้านหรือความไม่มีศรัทธาในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราจง ยึดหลักทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันเช่นการมีความเมตตานี้ก็เท่ากับการมีศีลแล้วเพราะเมื่อเรามีความเมตตาเราก็จะไม่ทิดเบียดเบียนผู้อื่นเราจะไม่ฆ่าผู้อื่นจะไม่ทําร้ายผู้อื่นจะไม่หลอกลวงผู้อื่นจะไม่เอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาครอบครองโดยที่เขาไม่อนุญาต ดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญธรรมะคุณธรรมต่างๆตามอัตภาพตามกำลังของเราเราทำได้มากน้อยเพียงไรก็ขอให้เราทำไปก่อนอย่าผัดวันประกันพรุงอย่ารอให้เวลาพร้อมจะก่อนแล้วค่อยทำค่อยรักษาศีลค่อยนั่งสมาธิค่อยเจริญปัญญาเพราะเวลานั้นอาจจะไม่มีก็ได้ เราอาจจะตายไปก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมที่จะทาให้เราสามารถปฏิบัติได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เรายัางนั่งสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เรารักษาศีลไปก่อนถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้ก็ขอให้เราสับตกบารไปก่อนทำบุญให้ทานไปก่อนทำอะไรที่เราทำได้ขอให้เราทำไปว่าเมื่อเราทำไปแล้วต่อไป เราก็จะทำได้มากขึ้นเมื่อเราทำบุญบ่อยๆแล้วต่อไปเราก็อยากจะรักษาศีเองเมื่อรักษาศีได้แล้วเราก็อยากจะมอีอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมพอจิตใจเราสงบแล้วเราก็อยากจะพิจารณาเจริญปัญญาพิจารณาเรื่องเกิดแก่เสียตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เป็นต้น มันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปค่อยๆขยับไปไม่ใช่จะมารอเวลาให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทำทีเดียวพร้อมกันนี่คือเรื่องของการมาสร้างความสุขให้กับใจของเราด้วยคุณธรรมคือเมตตาและกรุณาคุณธรรมข้อที่สก็คือมุนิตาหมายความว่าให้เรามีความสุขกับความ ความสุขของผู้อื่นความเจริญของผู้อื่นเช่นเวลาเพื่อนของเราเพื่อนที่ทำงานเขาได้เงินเดือนขึ้นเขาได้ตำแหน่งสูงขึ้นเราก็ต้องมีความยินดีไปกับเขาอย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปน้อยเนื้อสั่งใจว่าทำไมเราไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนเขาทำไมเราไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือไปคิดว่าเขามาแย่งตาแหน่ง ของเราไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะร้อนขึ้นมาจะมีความทุกข์ขึ้นมาไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันหรอกถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อย่าไปอิจฉาหรือเสให้เรามีความชื่นชมยินดีมีมุดิตาจิตมีอนุโมทนาคือมีความชื่นชมยินดีกับความสุขและกับความเจริญของผู้อื่น ถ้าเราขาดมุทิตาแล้วเราก็จะกลายเป็นคนใจร้ายได้เพราะเมื่อเรามีความอิจฉาหรือเสเราก็จะคิดร้ายกับคนที่เขาที่เราอิจฉาหรือเเราก็จะพยายามหาวิธีกันแกล้งเขาหรือกีดกันเขาไม่ให้เขาได้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วเมื่อเราทำเขาแล้วเขาก็จะต้องกลับมาทำเราอีก ต่างคนต่างทำกันต่างคนต่างขัดขากันก็เลยไปไม่ถึงไหนด้วยกันทั้งคู่ก็จะจมไปด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างมีมุติตาจิตต่อกันเวลาผู้อื่นเขาได้ดบได้ดีเราก็แสดงความชื่นชมยินดีไปกับเขาเวลาเราได้ดีได้ดีเขาก็จะแสดงความชื่นชมยินดีกับเรา ก็จะช่วยให้เราทั้งสองได้ก้าวหน้าไปอย่างอย่างสวัสดิภาพไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนต้องการไปได้ไม่ได้ไปด้วยการอิจเชาหริอสแต่ไปด้วยการมีความมุดทิตาจิตนี่คือวิธีดับความทุกข์ความรุ่มร้อนใจและดัดปัญหาต่างๆที่จะตามมา ถ้าเราไม่สามารถที่จะดับความอิจฉาหรือเสยด้วยความมีมุติตาจิตได้ <Yeah. S 1> ส่วนคุณธรรมข้อที่สี่ที่เราควรจะเจริญเช่นเดียวกันก็คืออุเบกขาคำว่าอุเบกขานี่หมายถึงว่าให้เราทำใจปล่อยวางถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราก็ดีหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นก็ดีเช่นเวลามีความเดือดร้อนมีปัญหาแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ไม่ว่าจะกับของเราเองหรือของผู้อื่นอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราทำได้ก็คือปลงเสียทำใจเฉยยอมรับกับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยของเราเมื่อเราแก้ไม่ได้เราจะไปเดือดร้อนทำไมเราก็ทำใจให้นิ่งไว้ทำใจให้สงบไว้ถือเสียว่าเป็นผลกรรมของเราก็แล้วกันว่าเราคงจะไปสร้างบาปสร้างกรรมมาในอดีตตอนนี้ผลมันก็เลยมาเกิดขึ้นกับเรา แต่เราจะสามารถรับกับผลกรรมได้ด้วยการทำใจให้สงบเพราะใจของเราสงบนิ่งแล้วเป็นอุเบกขาแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราหรือกับคนที่เรารักก็ตาม เราจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่วุ่นวายใจได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวถ้าเรารู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขาการทำใจให้เป็นอุเบกขานี่ก็คือการทาสมาธินี้เองเวลาที่เราทำสมาธินี้เป้าหมายก็คือต้องการให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์ กับอะไรทงนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่รักไม่ชังนี่คือคุณธรรมที่สาคัญอย่างยิ่งสำหรับการที่เราจะต่อสู้กับข้อรกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพวกเราทุกคนนี้ยังมีข้อรกรรมที่ยังรอเรารอเราอยู่ข้างหน้าเช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย ทั้งของเราเองและของคนที่เราเลีไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักทาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นใจของเราจะทุกทรมานแต่ถ้าเรารู้จักทาใจให้เป็นอุเบกขาทาใจให้นิ่งให้สงบใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนกับ เรื่องราวที่ไม่ไม่น่าปรารถนากันจึงขอให้เราพยายามเจริญอุเบกขาดีด้วยการนั่งสมาธิให้มีสติจเจริญสติอยู่เสมอเพราะการจะทำใจให้สงบได้นี้ต้องมีสติเป็นตัวนึ่งใจไว้ไม่ให้ไปคิดด้วยเปื่อยไม่ให้คิดฟุ้งซ่านวันวันหนึ่ง ถ้าเราไม่รู้จะคิดอะไรไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดก็ให้คิดคำว่าพุโทโธไปภายในใจบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือจะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ทำได้ทุกตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ที่ในห้องพระแล้วค่อยสวดมนต์เราสามารถสวดมนต์ไปภายในใจได้ตลอดเวลา เพื่อเพราะเราต้องการที่จะควบคุมบังคับความคิดของเราไม่ให้คิดด้วยเปลือ่อยแล้วทำให้ใจของเราไม่สงบนั่นเองถ้าเราสวดมนต์ไปภายในใจหรือบริกรรมพุดโธไปภายในใจในขณะที่เราดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันใจของเราก็จะมีความว่ามีความสบายมีความสงบ มีอุเบกขาเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เห็นจะไม่ยินดียินร้ายจะไม่โลภโมโทสังกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับใจเพราะใจเรามีธรรมะคือมีพุทธโธหรือมีมีบทสวดมนต์ไว้คอยกำกับความคิดของเรา แล้วเวลาที่มีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆเราไปนั่งในห้องที่สงบแล้วป ร, กริกรรมพุทธโธต่อไปไม่นานจิตของเราก็จะรวมลงสู่สมาธิจะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายจะมีอุเบกขานี่คือการเจริญอุเบกขาด้วยสติด้วยสมาธิ หรือเราจ ะ, จะเจริญเบทขาด้วยวิธีแบบหนึ่งก็คือขอให้เราใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเสมอว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเวลาที่เราประสบกับอะไรต่างๆจะดีหรือจะชั่วก็เราก็ทำใจไว้ ไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจถือเสียว่ามันเป็นเรื่องของเราเราทำมันขึ้นมาเองเวลาจิประสบ ข, ข้อกรรมต่างๆก็ถือว่ามันเป็นการกระทำของเราเราอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราเองแล้วก็ตรงรับกรรมอันนั้นไปใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ชุกวุ่นวายจะสามารถอยู่อย่างปกติได้ นี่คือเรื่องวิธีการรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายให้มีแต่ความสุขด้วยการจเจริญคุณธรรมทั้งสีประการคือเมตตากรุณามุญิตาและอุเบกขาจึงขอฝากเรื่องคุณธรรมทั้งสีประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุข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 ทํางในทางโลกและหนทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ